สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาสิตครั้งที่ห้สบแปดเรื่องอยากอายุยืนทํำยังไงสุภาสิทบทที่เก้าข้อที่สิบถึงข้อที่สิบเอ็ดชูภาสิทบทที่เก้าข้อที่สิบจนึงข้อที่เอ็ดนั้นได้บอกเราว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ เนื่องจากเราวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนจากพระวจนะตอนนี้นี่เองทําให้ผมคิดถึงในสมัยก่อนตอนเป็นเด็กรวีครับเราได้รับการสอนว่าใครก็ตามที่มีความกระตันอยู่กับตะเวทีหรือให้เกียรติเขารบรากดีดาบาดาคนๆ น, นั้นจะมีอายุยืนยาวผมก็เฝ้าสังเกตมาก็มีส่วนจริงที่เป็นอย่างนั้นครับคนที่ กตัญญูกตตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นคนที่มีอายุยืนยาวมากเลยครับพี่น้องครับเราทราบกันไหมครับว่าพระเจ้านั้นทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินนี้คําตอบคือใช่นะครับความปรารถนาและน้ำมัทไธของพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เขาตายเลยแต่เมื่อเวลา คบกำหนดและสิ่งที่พระเจ้าทราบล่วงหน้าว่าอาดัมและเอวานั้นเขาจะต้องในที่สุดทาบาปและและจะต้องตายสิ่งที่สำคัญคือว่าพระเจ้ามีแผนการทางรอดพิเศษสาหรับที่จะช่วยคนของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของน้ำพระไทยหลักของพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงน้ำพระไทยพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมัธหลักคืออะไรน้ำมัธยลักก็คือน้ำมัธยที่พระเจ้าได้ได้ทรงตั้งไว้ดีชซยไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าแต่น้ำมัธยพิเศษนั้นหรือน้ำมัธยรองนั้นมีความหมายถึงการที่พระเจ้าได้ทรงให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบางคนครับแต่เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบางคนนั่นหมายถึงว่าความทุกข์ยากลําบากความเจ็บป่วยไม่สบาย หรือการที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันหรือไม่น่าจากไปเลยในอายุที่ยังไม่ควรจะจากพี่น้องครับนั่นแหละครับคือกรณีพิเศษซึ่งผมจะไม่กล่าวในที่นี้แต่ผมจะบอกกับท็อปพี่น้องครับว่าเมื่อเวลาครบกำหนดนะครับหมายถึงว่าเราทุกคนมีเวลาครบกำหนดที่พระเจ้าตั้งไว้เมื่อถึงเวลาเราก็จะตายตามวันและเวลาที่ถูกกาหนดไว้อย่างนั้นก็ตามครับ พราะประสงค์หลักของพระองค์ก็ไม่ได้สำเร็จทุกครั้งไปเมื่อมีสิ่งบางสิ่งมารบกวนอาจจะมีคำถามว่าเมื่อพระเจ้ามีแผนการสาหรับชีวิตของเราแล้วคนบางคนยังไม่สามารถมีไม่สามารถเป็นไปตามที่พระองค์ปรารถนาหรือน้ำมันไทยหรือแผนการชีวิตที่ดีไซน์ไว้เช่นนั้นหรือคำตอบคือใช่ครับพี่น้องครับการที่เรานะครับออกจากแผนการของพระเจ้าด้วยการเลือกของเราเอง หรือการที่มีบางคนเลือกออกจากแผนการของพระเจ้าและมากระทบกับชีวิตของเรานะครับกระทบกับการมีอายุยืนของเราเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้ครับเรามาดูกันนะครับในสุพศิษย์บทที่เก้าข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ดเราเขียนหน้ามัทไธรของพระเจ้าที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการมีชีวิตหรืออายุยืนยาวความยำเกรงพระเจ้าเป็นเริ่มต้นเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เด็กระวีท่องได้ครับ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เนื่องจากเราวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนอีกพั้มพีอีกข้อหนึ่งครับสุภาสีบทที่สิบสิบข้อยี่สิบเจ็ดความยำเกรงองค์พระบุญเจ้าจะต่อชีวิตให้ยืนยาวและปีเดือนแต่ปีเดือนของคนชั่วจะถูกตัดทอนนะครับชัดเจนครับ สัมพันธ์อยู่กับการยำเกรงพระเจ้าการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวนั้นสัมพันธ์อยู่กับแปลตามความยำเกรงพระเจ้าครับชูพระิทธอีกบทหนึ่งครับบทที่สามข้อหนึ่งข้อทสองลูกเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่จงรักษาคํามัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าเพราะสิ่งนี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนําสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้ พี่น้องครับฟกลงครับสุภาษิตบทที่สามข้อหนึ่งหนึ่งข้อที่สองลูกเ อ, อ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่จงรักษาคำบัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าอย่าลืมคำสั่งและคำสอนของพระเจ้าครับเพราะสิ่งนี้จะช่วยต่ออายุของเราให้ยืนยาวและมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองพี่น้องครับผมไม่ได้พูดถึง post p i r i t y gospel นะครับผมไม่ได้ชวนใครให้มาเชื่อพระเยซูเพราะว่า เชื่อพระเยซูแล้วจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองผมไม่ได้กําลังชวนแบบนี้ผมกําลังชวนว่าให้เรารักษาคําสัญญาและคําบัญชาและธรรมบัญญัติของพระเจ้าไว้ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนําสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้พี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคําสอนต่างๆมี หลักการนำไปใช้ที่แตกต่างกันและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเราพบว่าการที่เราจะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางที่ปลอดภัยครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างทางนั้นเองทรงชี้ทางนั้นและจะทรงรักษาทุกๆคนที่เดินอยู่ในทางนั้นพี่น้องครับหลายและคนถามผมว่าพระเจ้ากำหนดเราทุกอย่างไม่ใช่หรือคาตอบคือใช่ครับ แต่ในหลายหลยคนทีเดียวที่พระเจ้ากำหนดแล้วแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจัยร่วมหลายอย่างเช่นมนุษย์เจ้าของตัวเองนะครับมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะทำาไรได้ยกเว้นแต่คนอื่นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาเช่นเด็กครับเด็กที่เกิดจากการล่วงประเวณีที่ไม่เหมาะสมและแม่พาไปทำแทง้งเด็กคนนั้นเขาอยากตายหรือเปล่าเปล่าครับ เด็กคนนั้นถูกฆ่าถามว่าเป็นน้ำมัธยและพระประสงค์ของพระเจ้าไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเรานั้นอาจตายก่อนเวลากําหนดได้นะครับเช่นเด็กตะกี้ที่ถูกทําแทง้งซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เด็กทารกนั้นตายอย่างแน่นอนครับหรือบางคนที่ฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายกินยาพิษตายพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เขาฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนครับและนี่ไม่ใช่เป็นน้ำมัธยของพระเจ้า บางคนเมาแล้วขับทําให้ครอบครัวทั้งครอบครัวของตัวเองประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมิชินารีของโรงพยาบาคลคริสเตียนแห่งหนึ่งขับรถกลับบ้านกับครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถคันอื่นมาชนและตายทั้งครอบครัวนี่ก็ไม่ใช่น้ำมันไทยหลักของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคนปลอดภัยครับผู้หญิง ทุกคนต้องปลอดภัยต้องไม่ถูกข่มขืนคนที่ถูกข่มขืนนั้นเป็นนามาไทยหลักของพระเจ้าเป็นพระประสงค์หลักของพระเจ้าที่จะให้เขาถูกข่มขืนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับเด็กถูกทําร้ายเด็กถูกอาบิวส์ก็ไม่ใช่นามาไทยของพระเจ้าที่จะให้คนคนหนึ่งตายหรือถูกอาบิวส์หรือถูกข่มขืนหากเป็นเช่นนั้นพระเจ้าของเราคงจะเป็นรเจ้าที่ ร้ายกาศมากน่ากลัวและสนุกสนานเมื่อเห็นคนตายคนคนเจ็บคนปวดในพระธรรมเอเสเคียว e นะครับบทที่ส8บแปดข้อส1ิบเอข้อสิบ1าสาสิบเอ็ดถึงสาสิบสองครับบอกว่าจงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งสิ้นที่ทำลงไปและจงรับเอาจิตใจและวิญญาณใหม่เถิดพงพันธอิสราเอลเอ๋ยเจ้าจะตายเร็วทำไมเจ้าจะตายทำไมจงทิ้งการล่วงละเมิดทั้งสิ้นที่ทำลงไปและรับจิตใจใหม่ วิญญาณใหม่เถิดพงพันธุอิสรเาเอลเอ๋ยอิสยาบทที่หกสิบห้าข้อยี่สิบสองนะครับที่นั่นจะไม่มีทารกที่มีชีวิตอยู่เพียงสองสามวันหรือคนแก่ที่อยู่ไม่ครบอายุไขเราเห็นว่าน้ำมาทไทยนะครับของพระเจ้าในตลอดพระคัมภีร์ที่ผมยกมาเนี่ยเป็นน้ำมาทไทยที่จะให้คนของพระองค์นั้นมีชีวิตอยู่ตามการกําหนดหลักของพระเจ้าเลยในพระคัมภีร์ใหม่ก็เช่นเดียวกั น, นครับเราเห็น พวกที่อยู่ในเมืองโครินเขานั้นรับบัพติศมาอย่างไม่สมควรหนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดข้อย9 30ิบเก้าสามสิบเพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษอันนี้เป็นสาเหตุที่บางคนตายเร็วครับด้วยเหตุนี้ท่านีพูดต่อพวกท่านหลายหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไขย้และบางกนล่วงหลับไปเห็นไหมครับ ยานมี ie, บทที่ยีิบ้าข้อสิบเ็นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทําให้สวจดิภาพหรือรุ่งเรืองนะครับหรือสันติภาพไม่ใช่เพื่อทําร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าที่เชื่อฟังเราและรักษาบัญญัติของเราตรงนี้นะครับในพระธรรมฉบับภาษาอังกฤษใช้คําว่า expected end ซึ่งหมายถึงวันสุดท้ายที่คาดหวังไว้ครับพระเจ้า ปรารถนาที่จะให้เราเจริญรุ่งเรืองนะครับและสันติภาพจะเข้ามาในชีวิตของเราแผนการของพระเจ้าจะสาเร็จในชีวิตของเราจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นวันสุดท้ายที่คาดหวังไว้นะครับหรือเป็นบรรดาสิ่งสุดท้ายที่เราหวังไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับเราต้องทำอย่างน้อยสามแบบนี้ครับชีวิตถึงจะยืนยาวประการที่หนึ่งสรุปที่บทที่สามสิบสี่ข้อสิบสองถึงสิบสี่ครับ ให้เรายำเกรงพระเจ้าและรักษาลิ้นของตนให้ดีบุตรทั้งหลายเอ๋ยมาฟังเถิดเราจะสอนเจ้าให้ความรู้ถึงความยำเกรงองค์พระบุญเจ้าใครก็ตามในพวกเจ้าที่รักชีวิตและปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาวก็จงรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่วรักษาลิ้นผีปักให้พ้นจากการพูดโกหกจงหันจากความชั่วร้ายและทําความดีจงใฝ่หาสันติสุขและความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มันมาประการที่สองครับกัจจันยูเคารพรักบิดามารดา เอเฟซัสบทที่สองบทที่หข้อที่สองครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลกในทางกลับกันครับการมีอายุสั้นปกติกว่าปกติหรือตายก่อนกำหนดนั้นเป็นผลจากการเลือกใช้ชีวิตของตนที่ไม่ดีเลือกติดตามคนที่ไม่ดีหรือติดตามความบาปหมกมุ่นอยู่ในการไม่เชื่อฟังออกนอกทางของพระเจ้าในที่สุดตกอยู่ในมือของมันครับ เพราะมันมีอาชีพหลักนะครับมานั้นมีอาชีพหลักคือลักขโมยฆ่าให้ตายและทำลายจิตึงอย่าณฉะนั้นเราจึงควรที่จะมีชีวิตตามที่พระพีสั่งสอนเราไว้ครับส่วนและธรรมยัดบทที่ห้าข้อสามิบสามจงดำเนินชีวิตตามแนวทางทั้งปวงที่พระเจ้าพระยาเวของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้เพื่อพี่น้องครับเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนยาวแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในดินแดนซึ่งท่านจะเข้ายึดครองน้องครับต้องถามตัวเองว่าฉันเชื่ออย่างนั้นไหม อาเมน